ตอนนี้มีฝนตกฟ้าล้องเสียงค่อนข้างจะดังก็เลยจะขอรอให้ฝนและฟ้าลดเสียงลงก่อนแล้วค่อยพูดธรรมะตอนนี้พวกเรานั่งสมาธิกันไปก่อนสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวพอเสียงฝนเสียงฟ้าเบาลงจะเริ่มพูดธรรมะให้ฟังอันนี้เรามาจเจริญสติเป็นอาณาปณะสติคือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุทธานุสติบาิกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือธรรมานุสติ สวดบนไปภายในใจก็ได้เช่นสวดอิติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ใจมีสติควบคุมเพื่อใจจะได้นิ่งได้สงบได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นแล้วเดี๋ยวพอ เสียงฟ้าเสียงฝนเบาลงจะแสดงทำให้ญาติยมฟังต่อไปอตอนนี้ฝนก็ซาลงแล้วท้องฟ้าก็หยุดส่งเสียงแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราได้มาฟังทมแบบธรรมชาติคือฟังเสียงของธรรมชาติ ชีวิตของเราก็เหมือนกับชีวิตที่จะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นเหมือนธรรมชาติบางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่างวันนี้ฝนตกฟ้าร้องเราจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นอกจากทำใจให้นิ่งให้สงบให้เฉยแล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย ไปกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องเราทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธ ท, ทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเหตุการณ์ต่างๆ จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยๆเยพราะเวลาใจเราเฉยใจเราจะสงบมีความสุขสิ่งที่จะมาทำให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากของเราอยากจะไปทำนั่นทำนี่พอทำไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามาสอนใจให้ระ ง, งับว่าเราทำอะไรไม่ได้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเราทำใจเฉยๆรับรู้ไปดีกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไป<ม>ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ แต่เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาด้วยการจเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปหรือเพชรนาอนิจจทุกขังอนัตตาไป อใจเรามีอะไรคอยกำกับไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปหยากกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นใจของเราก็จะสักแต่ว่ารู้ไปเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาฝนตกแล้วเดี๋ยวฝนก็หยุด ฟ้าลองแล้วเดี๋ยวฟ้าก็หยุดลองเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเราทำใจให้สงบให้สบายดีกว่านี่คือวิธีที่จะดำรงชีวิตของเราให้อยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการเกิดขึ้นกับการดับไปของสิ่งต่างๆฉนั้นขอให้พวกเราพยายามฝึกสติ ฝึกสมาธิกันบ่อยๆแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องสัมผัสรับรู้มันเป็นอนิจมันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับมัน ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่เกิดบ้างให้มันเกิดบ้างให้มันดับบ้างไม่ให้มันดับบ้างพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเรารู้ว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราเราอยู่ในความสงบ อยู่กับอุเบกขาอยู่ด้วยสติแล้วอยู่ด้วยปัญญาแล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจิตใจของเราจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเท่านั้นเองทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขานี่แหละคืองานของเราที่เราควรจะมาฝึกทํากันให้ได้ ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้กับทุกภาวะทุกเหตุการณ์ใจของเราจะอยู่เหนือความทุกข์จะไม่มีความทุกข์เข้ามาวุ่นวายก่อสร้างความวุ่นวายให้กับเราอีกต่อไปองนั้นก็ขออนุโมทนาในความเพียรพยายามของท่านในวันนี้ที่ได้อวตสานั่งทำสมาธิทำใจให้สงบ ขอให้นำมาไปปฏิบัติเรื่อยๆแล้วใจจะมีความสุขไปตลอดจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวะไรวาหาปุราปะริปุรเรนติสากลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาโต สัพเพเปริญตสังกบ a ยันโทปนะระโสยถาเมญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารายุสุขีท k a ายุโกภวา อภิวาทนาสีลิปสันิจังวุธาปจายโนยตารุธรมมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ o คลอยห้าสิบเอ็ดคนครับยูทูบเก้าสิบสองคนครับ วิทยุออนไลน์14คนครับผู้รับฟังคนเขา130คนครับรวมทั้งหมด387คนครับาอาจารย์อวันนี้ฝนตกไม่ได้แสดงทมให้ฟังธรรมชาติแทนก็เลยคนที่รอฟังอยู่ทางบ้านเลยไม่ได้ฟังกันก็ตอนนี้ฟังคำถามคำตอบไปใครอยากมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลานี้จะมีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามถ้าไม่อยากจะถามเองอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้เดี๋ยวให้พิธีกรอ่านคําถามให้ตอนนี้ทางบ้านถ้ามีคําถามก็ส่งเข้ามาได้เลยคําถามจากทางไลน์เจ้าค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามนมัสกาลหลวงพ่อค่ะ หนูมีเรื่องสอบถามหนูรักษาสินไม่ครบทำได้สมข้อสิ่งที่ทำไม่ได้คือดินทาแฟนขโมยเงินแฟนค่ะเพื่อเอามาใช้ชีวิตประจำวันเวลาขาดเหลือมีผลทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะหนูภาวนาไม่ได้ค่ะจิตไม่สงบคิดแต่เรื่องหนี้สินความทุกข์ต่างๆมากมายเป็นหนี้ต้องหาเงินอย่างเดียวเลยค่ะ หนูควรปฏิบัติอย่างไรดีคะอยากหาเงินมาใช้หนี้พอใช้หนี้หมดหนูก็หมดห่วงทุกอย่างเจ้าคะ่ะนี่มันเกิดจากการที่เราชอบใช้เงินถ้าเราไม่อยากจะมีหนี้ก็พยายามใช้เงินให้น้อยๆแล้วเราก็จะไม่ต้องอมีหนี้ถ้าใช้เงินมากก็ต้องหาเงินมาก ถ้าหาไม่ได้พอก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้ฉั้นพยายามอยู่แบบมักน้อยสันโดษคือเอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าพอมีใส่ก็พออาหารพอกินอิ่มก็พอไม่ต้องเป็นอาหารแพงไม่ต้องเป็นอาหารตามร้านหรูหราต่างๆ กินไข่เจียวเขาไข่ต้มผักต้มกินก็อิ่มเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินเราก็กินตามสภาพของเราไปอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องการกินการอยู่มากเกินไปแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหากับเรื่องการหาเงินหาทองที่หาไม่พอก็อ จ, จะทำให้เราต้องไปลักขโมย เราจะทําให้ใจเราวุ่นวายไม่มีความสุขใช้ความอดทนดีกว่าสู้กับคนสู้กับความทุกข์ยากลําบากอดอยากขาดแคลนแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายเพราะเราไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใจเราจะได้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ง่ายพุตตเจ้าสอนชาวพุทธให้เราอยู่แบบมากน้อยสันโดษ เอาน้อยๆหรือเอาตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็อยู่กับมันไปอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากมากแล้วจะทำให้ใจเราวุ่นวายจะทำให้ใจเราต้องไปทําบาปไปทําให้เกิดผลเสียหายกับใจเราอีกทอดหนึ่งคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะจากคุณวิราวานันกกาบเตียนถามเจ้าค่ะคำว่า พิจารณาอาัศวะหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็ให้เราดูไงคำว่าพิจารณาก็ให้ดูดูบ่อยๆดูเรื่อยๆดูนานๆดูจนมันฝังอยู่ในใจเราไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมให้เราดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาระงับความหลงหรืออารมณ์ที่เกิดจาก การไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายพอเราเห็นสวยส่วนที่สวยงามของร่างกายเราก็เกิดอารมณ์เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอยากได้เขามาเป็นแฟนเราเป็นคู่ครองของเราแล้วทำให้เราต้องมาทุกขกับเขาเพราะเขาก็อาจจะไม่แน่นอนบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดี บางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่มันจะทําให้ใจเราวุ่นวายสู่หัดอยู่คนเดียวจะดีกว่าจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องระ ง, งับการอารมณ์ความรักความใคร่ในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ด้วยการมองส่วนที่ไม่สวยงามของของร่างกายที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนที่เรามองไม่เห็นกันเพราะถูก ผิวหนังหุ้มหอ่อปิดบังไว้เท่านั้นเองแต่เราสามารถใช้ปัญญาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายได้โดยการไปดูภาพที่นักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาอวัยวะต่างๆของร่างกายเราก็จะเห็นอวัยวะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไต เห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นส่วนต่างๆที่ไม่สวยงามแล้วเราพยายามดูบ่อยๆดูให้จดให้จําจนไม่ลืมเวลาเห็นร่างกายใครก็เห็นทะลุเข้าไปข้างในเลยเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเป็นเหมือนตาเอ็กซเรย์ปัญญานี้เป็นเหมือนตาเอ็กซเรย์ถ้าเราดูอสุภาบ่อยๆ ดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังบ่อยๆต่อไปเวลาเราเห็นใครนี่เราจะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยจะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เกิดความรักความไข้แล้วก็จะอยู่คนเดียวได้สาเหตุที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะความรักความใคร่นี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเว เศร้า ซ, ซ้อยงอยเหงาเวลาต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราไม่มีการมาลมแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีใจเราจะสงบจะสบายไม่วุ่นวายไปกับการต้องหาแฟนแล้วก็ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับแฟนต่อไปคาถามต่อไปจากผู้ประสงค์ไม่ออกานามค่ะกระผมมีเรื่องสอบถามท่านพระอาจารย์ครับ อนที่คุณตาของผมจะสิ้นใจท่านพูดว่ามีคนจะมาเอาท่านไปคนที่ท่านกล่าวถึงมีรูปร่างและลักษณะคล้ายคยมมาทูตคือรูปร่างสูงใหญ่นุ่งโจงกระเบนสีแดงในตามหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงยมมาทูตและโยมมาบานหรือไม่อย่างไรครับ คือยอมทูตยมมบาล น, นี่ก็เป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาความจริงยมมทูตยมบาลก็คือบุญกับบาปที่เราทำนี่แหละเวลาที่ร่างกายเราตายไปจิตของเรานี่จะถูกบุญหรือบาปเป็นผู้มาดึงไปให้ไปอยู่ในสภาพต่างๆ ถ้ายมทูตเป็นเทพเป็นบุญก็จะดึงให้จิตของเราไปอยู่ในสภาพของเทวดาของพรมของพระอริยะเจ้าถ้าบาปเป็นผู้มาดึงวิญญาณเราไปก็จะไปอยู่ในสภาพของเปรตของอสุรกายของนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน น, นี่แหละคือตัวยมทูตมันไม่มีรูปร่างหน้าตา แต่เราชอบเราอยู่ในโลกที่มีร่างกายมีรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงใครเรามักจะต้องสร้างรูปร่างหน้าตาของเขาขึ้นมากิเลสก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาเปรตก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาเทวดาก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาความจริงสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีหรอกรูปร่างหน้าตามันเป็นภาวะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเหมือนกับตอนที่เรานอ น, อนหลับเราฝันไปเป็นเรื่องฝันเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นอะไรมันก็เป็นเหมือนกับภาวะที่จิตสร้างขึ้นมาให้เห็นนู่นถึงภาวะของของเหตุการณ์ต่างๆของภาวะของจิตเะฉะนั้นถ้าบุญเป็นผู้มาดึงใจไป ใจก็จะได้ภาวะที่ดีคือจะเหมือนกับฝันดีจะมีเหตุการณ์ดีๆปรากฏขึ้นมาในใจให้ชุดให้ชื่นชมได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่นั่นที่นี่ได้ไปพบกับคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นการผลิตภาพขึ้นมาในใจด้วยกำนาของบุญ ถ้าเรามีบาปเป็นผู้ผลิตภาพขึ้นมาก็จะมีแต่เรื่องเลวร้ายต่างๆเหตุการณ์หวาดเสียวหวาดกลัวเหตุการณ์ทุกข์ยากลําบากต่างๆอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นอบายผู้ที่มาดึงใจไปก็คือบุญหรือบาปที่เราทำนี้เองกลาวธรรมสการ์พระอาจารย์ครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการภาวนาครับผม ตอนที่เราบริกรรมเราต้องมีที่ตั้งของจิตหรือฐานจิตไหมครับเช่นที่หน้าอกที่กลางท้องที่จมูกหรือที่หน้าผากถ้าตอนบริกรรมพุทโธต้องบริกรรมที่ฐานจิตเราจะต้องทำอย่างไรให้จิตไปอยู่ที่ตั้งของจิตขณะบริกรรมครับเราต้องนึกภาพของจุดๆนั้นหรือไม่ครับเราต้องตั้งอยู่ที่รมบริกรรมฐานของจิต เวลาบริกรรมก็คือคำบริกรรมเห็นเวลาเราบริกรรมให้จิตเราอยู่ที่คำบริกรรมอย่าไปอยู่ที่อื่นอย่าไปอยู่ที่จมูกอย่าไปอยู่ที่กลางอกให้อยู่ที่คำบริกรรมอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราดูลมเราก็ต้องดูที่ปลายจมูกฐานของจิตก็อยู่ที่ปลายจมูกถ้าเราดูโครงกระดูกเช่นบางคนชอบอสุภะ ชอบนึกภาพโครงกระดูกก็ให้จิตอยู่กับโครงกระดูกเป็นที่ตั้งของจิตไปถ้าคนชอบใช้กสินใช้สีเช่นสีเขียวก็ให้จิตตั้งอยู่ที่สีเขียวให้สร้างให้ระลึกถึงสีเขียวแล้วก็ให้จิตอยู่กับสีเขียวนั่นไปไม่ให้ไปที่อื่นแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามจากท่านที่รับฟังบนเขาค่ะมีทั้งหมดสองคำถามค่ะคำถามแรกค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าจิตหลุดอยู่ที่ไหนสักแห่งเห็นโลกเล็กเท่าลูกบอลทำให้ตกใจและรู้สึกเสียวท้องจนนั่งต่อไปไม่ได้ควรแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็ <c oughs> ให้รู้เฉยๆรู้ว่านี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเวลานั่งสมาธิมันจิตถ้าจิตสงบจิตก็อาจจะมีความรู้สึกว่าหลุดออกไปอยู่อีกที่หนึ่งที่มันไม่วุ่นวายเหมือนบางทีคนก็รู้สึกว่าเข้าไปในถ้ำลึกๆเข้าไปแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะ อยู่ไกลออกไป เ, เวลานั่งสมาธิเวลาเกิดอะไรขึ้นมาวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องให้เรามีสติอยู่กับฐานของเราถ้าเราดูลมก็ให้อยู่กับฐานของลมคือที่ปลายจมูกอย่าตามภาพหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนดูภาพยนตร์ ภาพในจิตเราก็เหมือนภาพยนตร์มันไม่มีอะไรมันไม่มันไม่สามารถมาทำร้ายมาทำลายเราได้ถ้าเราไม่ไปหลงไปกลัวขึ้นมาเองเะฉะั้นเวลานั่งสมาธิต้องมีฐานต้องมีที่ยึดจิตไว้ถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่าไปตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความตกใจได้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาได้ ให้อยู่ที่ฐานจิตถ้าดูลมก็อยู่ที่ปลายจมูกถ้าพุโทโธก็อยู่กับคาบริกรรมพุโทโธไปไม่ต้องสนใจกับภาวะที่ปรากฏให้รู้ถ้าเป็นความสงบก็จะไม่น่ากลัวเป็นความว่างความเบาความเย็นความสบายจิตก็จะสงบเป้าหมายของการนั่งก็คือให้จิตเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วจิตก็จะเปลี่ยนจาก พุโทโธไปอยู่ที่ความสงบเป็นฐานต่อไปคำถามที่สองค่ะอยากยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณคือทำยังไงคะเพราะตอนทำสมาธิบางครั้งจิตจะซึมอยู่กับสมาธิเวลาทำสมาธิทำไมถึงบังคับจิตไม่ให้ซึมไม่ให้นิ่งอยู่กับที่ได้คะ อ๋อการทำสมาธิก็เพื่อทำให้จิตนิ่งให้อยู่กับที่ถ้าเราไม่ต้องไม่อยากจะอยู่กับที่ไม่อยากจะนิ่งเราก็อย่าทำสมาธิถ้าอยากจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่ต้องเข้าสมาธิพิจารณาธรรมะได้เลยเช่นเมื่อกี้สอนวิธีพิจารณาอสุภะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งความว่าวิปัสสนาก็คือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง แรื่เราพิจารณาสุภะเพื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่สวยอย่างเดียวไม่หล่ออย่างเดียวมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังด้วยเราต้องเห็นให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนส่วนที่น่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับร่างกายของใคร เพราะเไปยึดติดแนละ้วเดี๋ยวจะต้องทุกเวลาที่เขาจากเราไปหรือเวลาที่เขาไม่ดีกับเราเราไปคิดว่าเขาดีเราไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนจากดีมาเป็นไม่ดีเขาก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราเห็นว่าเขาไม่น่ารักไม่น่าดูไม่น่าอยู่ด้วยเราก็อยู่คนเดียวดีกว่าเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องทุกข์กับเขานี่คือวิปัสสนา ถ้าอยากจะได้วิปัสสนาต้องนึกไปก่อนพิจารณาไปก่อนนึกอยู่บ่อยๆนึกถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างนึกถึงความไม่ใช่เป็นของเราไปตลอดอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆจะทำให้เราไม่หลงไปรักไปชอบเขาไปยึดไปติดกับเขาทำให้เราอยู่ตามลำพัง ได้โดยที่มีความสุขไม่ต้องมีความสุขหยับครเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ยิง่งถ้าไม่อยากจะให้ใจนิ่งๆเฉยๆอยากจะให้ใจฉลาดก็หมั่นพิจารณาทางปัญญา พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงเช่นร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเพื่อต่อไปเราจะได้ปล่อยวางร่างกายไม่ยึดไปติดกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปใจเราไม่ต้องทุกข์กับเขาแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องเข้าสมาธิสมาธิจะทาให้ใจเราสงบทาให้ใจเราเย็นแล้วสบาย เนี่เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราตอนนี้เราควรจะทำอะไรถ้าใจไม่ฟุง้งซ่านก็พิจารณาทางปัญญาได้วิปั ส, สนาได้ก็วิปั ส, สนาไปถ้าใจฟุง้งซ่านไม่ยอมวิปั ส, สนาก็ต้องเข้าสมาธิทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วออกจากสมาธิก็ค่อยมาพิจาราวิปั ส, สนาต่อไปอพูดใกล้ๆหน่อย ค่ะคือหนูมีคำถามค่ะว่าถ้าเราอยู่ลําพังด้วยอยู่บนตัวเองค่ะเราจะสามารถควบคุมสติได้จะรู้ตัวเวลามีความคิดและเผลอใจออกไปนอกตัวตลอดแต่พอเราต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็จะต้องอยู่ในสังคมอยู่ในที่ทํางานหรือว่ากับเพื่อนฝูงค่ะมักจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเผลอไปติดเตียนผู้อื่นเผลอไปคิดลบกับผู้อื่นอยู่เนือ ง, เนองแล้วก็จะทำให้เราเสี่ยง เสียจะมาทีแล้วก็สติตรงนั้นไปค่ะอยากจะขอคําแนะนําพายอาจารย์ว่าจะทํำยังไงให้เรากลับมามีสติได้เหมือนกับตอนที่เราอยู่กับตัวเองในระหว่างที่เราอยู่ท่ามกลาง อ, อ๋อเราก็ต้องแยกตัวเราออกไปถ้าเรารู้ว่าเราสติไม่มีเราก็ต้องไปหาที่สงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งเข้าห้องน้ําก็ได้ไปนั่งอยู่ในห้องน้ําสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งพอได้สติแล้วค่อยออกไปใหม่อืม เพราะว่าสติเรายัางมีกำลังไม่มากพอพอไปเจอเหตุการณ์ก็ถูกเหตุการณ์กลืนไปดูดไปแต่ถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆต่อไปเรามีสติมากเหตุการณ์จะไม่สามารถมาดูดสติไปได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีสติแล้วเราต้องการเรียกสติขึ้นมาเราต้องไปหาหมุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งใกล้ๆเพื่อทำใจให้สงบ ือดึงสติกับมาพุโทโธพุทโธกลับมาทางที่ดีถ้าเรามีวันหยุดควรจะไปอยู่วัดอยู่ที่มีที่สงบเพื่อไปฝึกสติให้มากๆากบ่อยๆแล้วต่อไปเวลากลับมาทำงานมันจะมันจะรักษาสติไว้ได้ตอนนี้สติเรายังมีกำลังน้อยพอมีเหตุการณ์เข้ามาก็ถูกดูดไปหมดหั ถ้าอยากจะได้สติคืนในช่วงที่ทำงานก็ต้องหาหามุมสงบหาที่ไหนไปดบเหมือนคนที่อยากจะสูบบุหรี่เขาห้ามสูบบุหรี่ในห้องทำงานก็ออกไปสูบที่ข้างนอกห้องเราต้องการสติเราก็ต้องไปออกไปนอกห้องไปหามุมสงบที่ไหนแล้วก็ไปสร้างสติดึงสติคืนมาคำถามต่อไปจากทางเ c e b ุ๊ k ค, ค่ะ จากคุณจิตเทพการปฏิบัติสมาธิอยู่ทุกวันเรารู้สึกว่ามีอาการเบื่อกับทางโลกเบื่อการงานเบื่อผู้คนจะแก้ไขอย่างไรครับเบื่อก็ดีเสียจะได้ลาออกจากงานจะได้ไปอยู่คนเดียวจะได้ไปบวชได้การฝึกสมาธิก็เพื่อให้เราได้ไปอยู่คนเดียวเพราะความทางโลกมันวุ่นวายหนอสู้ความสงบไม่ได้ ถ้าใครได้พบกับความสงบแล้วจะไม่จะไม่ชอบทางโลกจะเบื่อจะลำคาญเพราะมีแต่เรื่องวุ่นวายใจเพอรอาะฉะนั้นถ้าเราเบื่อได้ก็ดีเราก็พยายามฝึกสมาธิให้มากขึ้นจนเราคิดว่าเราสามารถไปอยู่แบบพระได้เราก็ไปบวชเลยเอเอชิญถามต่อ ครนันมาสการเจ้าค่ะพูดใกล้ยปากหน่อยขออนุญาตถามนะเจ้าค่ะคำถามนี้เป็นคำถามของคนทางบ้านเจ้าค่ะเขาฝากมาถามก็คือเขานั่งสมาธิเจ้าค่ะออสองสามชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกเหมือนกับนั่งห้านาทีแล้วก็พบความสงบค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามว่าตรงนี้นี่ปฏิบัติถูกหรือผิดแล้วครจะปฏิบัติยังไงต่อค่ะถ้าสงบแล้วมีความสุขแล้วรู้ตลอดเวลาก็ถูก ถ้าสงบแบบไม่รู้สึกตัวก็หลับบางทีเหมือนกับนั่งสามชั่วโมงเหมือนนั่งห้านาทีอันนี้ก็เหมือนนอนหลับแต่ถ้ามันสงบแล้วรู้ตลอดเวลาว่าสงบ ม, มีตัวรู้อยู่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิใช้ได้มันจะมีความสุขถ้ามีตัวรู้อยู่ถ้าไม่มีตัวรู้อยู่ไม่มีความสุขก็แสดงว่ามันหลับเคแล้วถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้บ่อยๆควรจะทาอย่างไรเจ้าค่ะก็ควรที่จะ ฝึกสติให้มากขึ้นกวให้เดินจงกรมให้ฝึกมีสติแลวเวลานั่งก็คอยควบคุมบังกลับให้มันนั่งตรงๆอย่านั่งหลังงอหลังค้อมอย่าคอพับแล้วก็นั่งต้องมีสติกำกับใจมีการดูลมหายใจเข้าออกหรือมีคำบิกรรมพุทโธพุทโธมันถึงจะไม่หลับ อขอบพระคุณจ้ะค่ ะ, ะเวลานั่งถ้าถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันหลับถ้านั่งดูลมมันจะไม่หลับเพราะมีงานให้จิตทำให้ดูลมไปลมเข้าที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมสั้นก็รู้ว่าสัาน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวให้ดูลมเป็นเป็นภารกิจการงานของจิต แล้วจิตจะสงบแล้วจะไม่หลับจะรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือถ้าไม่ดูลมก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดคําบริกรรมช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้พุทโธพุทโธหรือพุทโธเร็วก็ได้ถ้าจิตคิดมากก็พุทโธให้เร็วถ้าจิตคิดไม่มากก็พุทโธช้าหน่อยก็ได้แต่อย่าให้ไม่อย่าให้จิตอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรกํากับใจเพราะเดี๋ยวมันจะหลับหล ขออีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะ่ะคือว่าของหนูเนี่ยอกิจการงานมันเยอะอะค่ะงานงานทังบ้า น, นเยอะคะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าตอนที่ทำนู่นทำนี่เนี่ยหนูก็จะมีสติอยู่ที่การการทํางานแล้วก็พอมีเวลาว่างหรือพอมันเหนื่อยหนูก็มาดูลมหายใจอยู่ที่ความสงบอันนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะ่ะถูกแล้วแหละถูกแล้วแหะาคะ่ะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะพยายามทําไปเรื่อยๆ แล้วทางที่ดีวันไหนว่างจากภารกิจการงานก็ควรจะไปอยู่ที่เงียบๆคนเดียวเช่นไปอยู่วัดเพื่อจะได้ฝึกสติให้ได้อย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องแล้วนั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจสงบแล้วจะมีความสุขอาจารย์ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับกับผมเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับพี่สาว ตอนนี้มีคำถามอยู่ในใจอยู่ประมาณสองสามคำถามขออนุญาตถามคำถามส่วนตัวก่อนนะครับผมาจากการปฏิบัติของผมที่ผ่านมาก็ปฏิบตัติรูปรู ป, รปดอนๆ น, นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของการปฏิ บ, ต 1, 2, บั ต, ออตบิมีอยู่ช่วงหนึ่งของการปฏิบัติหนึ่งสองสามครับผมต่อขออนุญาตต่อครับมีอยู่ช่วงหนึ่งของการปฏิบัตินั่งนั่งปฏิบัติไปเสร็จแล้ว พอหลับตาปึ๊บความสงบก็มีบ้างไม่มีบ้างเสร็จแล้วมีรูปพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านโผล่ขึ้นมาที่ในความรู้สึกเสร็จแล้วจิตตัวหนึ่งเผอเผลอไปลบหลู่ท่านโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเป็นอาการแบบนี้มาอยู่สักเป็นปีเหมือนกันครับ อ, อยากจะเรียนหาว่าอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วจิต ในการทำสมาธิแล้วเผลอมีลูกพ่อแม่ครูอาจารย์โผล่มาแล้วก็จิตเผลอไปลบหลู่ท่านด้วยความไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบาปเป็นกรรมมากั้ยครับแล้วก็อ๋อไม่มากหรอกถ้ามันยัง<ด>อยู่ในจิตถ้ามันยังไม่ออกไปทางกายทางวาจายังไม่เป็นบาปแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไปทำบาปได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติคอยระงับมัน พอเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาให้เรากลับมาที่พุโทโธพุทโธอย่าปล่อยให้จิตอยู่โดยไม่มีสติเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวความคิดเหล่านี้มันจะไปที่ร่างกายทางวาจาต่อไปเวลานั่งสมาธิจึงต้องเน้นว่าให้มีสติคอยกำกับใจถ้าเผลอก็ดึงจิตกลับมาที่พุโทโธพุทโธส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเออมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเอง เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดมันจะทำให้เราทุกข์ให้เรารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปคิดตามมันเดี๋ยวมันก็ไม่กลับมาถ้าเราสอนใจว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีต่อไปมันก็จะไม่คิดให้ครับคาถามที่สองครับเมื่อเวลาผ่านไปสักพูดได้เล เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพอนั่งปฏิบัติสมาธิไปหลับตาความสงบก็มีบ้างมีเยอะบ้างทีนี้มันมีเรื่องแต่และเรื่องที่ผุดขึ้นมาในใจิตในใจให้ให้ตีว่าถูกหรือผิดแล้วจะมีการเถียงกันอยู่นะครับแล้วทีนี้ส่วนมากก็จะตีไปในทางที่เป็นมงคลทีนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งพอนั่งปฏิบัติไปรู้สึกว่ามีความอยากจะสอนคนนู้นคนนี้มีความอยากจะ เทศสั่งสอนคนนู้นคนนี้ตัวนี้เป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับแล้วก็จะแก้อย่างไรครับอ๋อมันนั่งสมาธิไม่ถูกไงเพราะนั่งสมาธิไม่สงบมันต้องนั่งให้มันสงบนั่งที่ไม่สงบเพราะไม่มีสติกากับใจไม่มีพุโทโธไม่มีการดูลมหายใจหรือมีเพียงตอนต้นดูปั๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดต่างๆผล่ขึ้นมา ความคิดมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วเราก็ต้องมาคอยเถียงกับมันถกเถียงกับมันมันแทนที่จะนั่งสมาธิก็เลยเป็นนั่งฟุ้งซ่านเข้าใจไหมงั้นนี่คือไม่เป็นการนั่งสมาธิที่ผิดไม่ถูกงั้นต้องนั่งแบบไม่มีความคิดเกิดขึ้นการที่ไม่ให้เกิดความคิดก็ต้องมีสติคอยกํากับใจเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่า ทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจแล้วความคิดต่างๆซึ่อาจจะเกิดขึ้นมาบ้างตอนต้นแล้วมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจไปคิดกับมันไปคุยกับมันนั่งสมาธิต้องนั่งให้หยุดคิดไม่ใช่ไปคิดแข่งกับมันไปคุยกับมันหมดแล้วยังคำถามที่สามเป็นคำถามออของพี่สาวครับพี่สาวอาจจะไม่ได้ถาม เ, เมื่อ ภายในสองมปีนี้ได้มีพระรูปหนึ่งลาออกจากราชการแล้วก็ไปบวชแล้วทีนี้มีโยมญาติโยมอุปธรรมคำชูก็พระองค์นี้ได้บวชพรรษายังยังไม่ครบห้าพรรษาแล้วก็ได้ไปอยู่วิเวกองเดียวที่บางพอินพระนกรศรียาแล้วก็มีญาติโยมอุปถาตทีนี้ก็ได้มีโอกาสพามากับ พระอาจารย์อยู่สองครั้งนะครับแต่แต่ผมไม่ได้มาด้วยแล้วทีนี้พระอาจารย์ได้บอกให้ศึกษาให้สอนตัวเองก่อนก่อนที่จะไปสอนญาติโยมและทีนี้พระองค์นี้ก็ <c oughs> ก็ยังปฏิบัติอยู่วิเวกอยู่องค์เดียวโดยที่พรรษายังไม่ถึงห้ารรษาโดยที่ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ <c oughs> อคอยตกสายตกหัวให้เข้าเข้าทางที่ถูกที่ต้องทีนี้พออยู่ไปสักพักหนึ่ง ก็ญาติโยมก็ได้สร้างศาลาสร้างปุ ต, ติสร้างอะไรให้เพื่อที่จะให้ท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกจากที่ศรัทธาความศรัทธาเริ่มน้อยลงญาติโยมเริ่มหายออกไปแล้วพอไปสักระยะหนึ่งก็ตั้งก็ก็ญาติโยมอุปถามอะไรต่างๆก็ได้คิดว่าน่าจะยี่มนท่านไปอยู่กับพ่อแม่ครูบอาจารย์ ตามคําแนะนําของพ่อแม่ครูญาที่ท่านเคยไปกราบเช่นหลวงปู่จันเรียนแล้วก็พระอาจารย์ที่เคยมากราบอยู่ถึงสองครั้งทีนี้ท่านก็ยังดื้ดึงยังยังไม่ไปและทีนี้ก็เลยผมก็เลยจะไปกราบเรียนท่านจเจ้าอาวาสตำแนักสงฆ์กมยี่เจ็ดของของปู่หลุยให้ท่านมาช่วยแก้หาให้และทีนี้ท่านก็เลยให้พักลูกวัดไปรับพระองค์นี้ ออกจากสถานที่ตรงนั้นเสร็จแล้วท่านไปอยู่ที่กมยี่เกตสักพักหนึ่งท่านก็ได้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยให้ท่านไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่หัวหินที่สำนักสงฆ์เยังสุขใจและทีนี้ก็จากควมเป็นอยู่ที่พวกกระผมเคยปฏิบัติบำลุงยิ่งกว่าพออระ อ, อริยเจ้าและท่านไปลำบากเดี๋ยวปัจจุบันได้ข่าวว่าท่านลาศึกษา ท่านบอกว่าลาออกมาเพื่อใช้กรรมแล้วทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือพวกผมทํามาด้วยความสุจริตใจไม่ทราบว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับที่อ๋อไม่เป็นหรอกเราได้บุญเราก็ทําไปตามความความที่หน้าที่ของญาติโยมก็คือสนับสนุนทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพระสององค์เจ้าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนพระท่านจะเสด็กไปนี่มันเป็นเรื่องของกรรมของท่าน ที่ท่านเดินทางมาไม่ถูกทางเดินทางมาโดยที่ไม่มีคอยคนคอยช่วยคอยสอนคอยบอกไปตามความคิดของตนแล้วในที่สุดก็ไปทางที่ไม่ถูกก็เลยสำนึกผิดก็ยังดีที่ท่านลาสิกขาไปเดี๋ยวท่านพร้อมท่านก็ จ, จะกลับมาบวชใหม่บวชที่ถูกต้องนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำกับสั่งสอนภายในห้าปีแรกก่อน เพราะเนเหมือนเด็กทารกที่เกิดใหม่ยังไม่รู้จักวิธีอยู่แบบถูกถูกต้องว่าพระเขาอยู่กันยังไงต้องมีครูบาอาจารย์สอนเด็กก็ต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูให้โตก่อนถึงปล่อยให้ไปอยู่คนเดียวได้ยนญาติโยมไม่ต้องกังวลบุญกุศลที่ญาติโยมทําไว้ไม่สูญหายไปไหนกับพระที่ศึกไปนะคนละเรื่องกันเรื่องของพระก็เรื่องของพระเรื่องของโยมก็เรื่องของโยม ขอให้สบายใจขอให้มีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจกับกุศลบุญที่ได้ทำไว้เอาล้วนะวันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดีก็จะขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพอ